ไงส่งกันบ้านไหมทิเนี้ยคุณอรบราก็สอนมาดีแล้ว <c oughs> ให้ทำไปนะให้ฝึกเอาสิ่งที่ทำให้ใจเราพ้นทุกได้นะคือปัญญาครอเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ถึงด้วยสมาธิด้วยอะไรหรอกถึงด้วยปัญญาปัญญาคือการ ที่เรามีความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงนะของกายของใจนี้เข้าใจความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้พอมีปัญญาเข้าใจความจริงนะี้ใจจะปล่อยปล่อยวางนะใจปล่อยความยึดถือในกายในใจแนละ้วใจก็โล่งเบาหมดภาระเราปฏิบัติไปจนใจของเราหมดภาระ แต่องเราแต่ละคนมีภาระเยอะะทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยอย่างมากก็ทําสมถะได้พักนิดหน่อยชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกมาทํางานอีกยิ่งกิเลสรุนแรงก็ยิ่งตักดันการทํางานของใจให้รุนแรงจิตใจก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นรนมากทุกข์ก็เยอะนียถ้าเรามีปัญญาให้มารู้กายรู้ใจนะ กายความยึดถือกายยึดถือใจ ใ, ใจจะค่อยๆเลิกดิ้นรนไปที่มันดิ้นรนเพราะมันยึดถือกายยึดถือใจว่าเป็นตัวเรามันอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกยิ่งอยากพ้นทุกก็ยิ่งทุกข์หนักนะงั้นพวกอยากพ้นทุกทั้งหลายแล้วลงมือทําอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็คือสร้างความปรุงแต่งขึ้นมาอีกอันหนึ่งแทนที่ใจจะสงบใจจะมีสันติสุขนะใจก็ไม่สงบสุข ดิ้นไปเรื่อยๆดูออกไหมมันอยากขึ้นมาก่อนความอยากเลยเป็นตัวสมุทยัยมันอยากขึ้นมาแล้วมันเลยดิ้นจิตใจที่ดิ้นรนไปนะจิตใจมีความทุกข์มีภาระมากจิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจไม่มีภาระนี่ทาไมจิตใจดิ้นรนอะไรเป็นเหตุให้มีตัณหาขึ้นมาคือการดิ้นรนของใจความไม่รู้ความจริงอวิชชานะเป็นฐานให้เกิดตัณหาขึ้นมา ไม่รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีดอกมีแต่รูปธรรมกับ น, นามธรรมมารวมกันอยู่ชั่วคราวงั้นวิธีจะขจัดอวิชชานั้นก็คือต้องรู้ความจริงเข้าไปคอยสังเกตคอยตามรู้กายตามรู้ใจดูของจริงกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจริงไหมเที่ยงไหมบังคับได้ไหมคอยดูไปไม่ต้องเข้าไปดัดแปลงเขาดูเขาอย่างที่เขาเป็น นี่ส่วนใหญ่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มดัดแปลงใจเคยสายไปใส่มาทําให้นิ่งนะร่างกายเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้มันแปล ก, ปลกๆขึ้นมามันเหนื่อยนะเคยเดินสบายๆก็เดินท่าทางแปลกๆขึ้นมาเรามีแต่เรื่องดัดแปลงลองเปลี่ยนจากการคอยบังคับคอยดัดแปลงนะมันเป็นคอยตามรู้กายตามรู้ใจพนะระเจ้าสอนง่ายๆ คลิกสูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการเหลียวซ้ายแรลกขวาใช่ไหมคุณมนเหลียวซ้ายแรลกขวาเห็นไหมใครรู้สึกไปไม่ใจลอยนะรู้สึกเรื่อยๆอย่าใจลอยไปนะคุณปลางใจลอยละนะผมพงก็ใจลอยเนะมีบางคนเริ่มเกร็งละกะเริ่มไล่มาด้านนี้นะ ไงหนูหนานี่หักมุมเปลี่ย น, นกําลังสบายใจว่มาทางนี้แล้วแตนเป็นไงแตนระวังหน้าคนข้างหลังเนะี่ยเขาจะแซงแล้วนะ <c oughs> เคยเคยนําเขานะนําไปกลายเป็นช้างท้าบหลังแหลนะยิ่งนายเป็นหางช้าง นะเลยขาหลังไว้อีกนะหางช้างไม่ทำอะไรแกว่งไปแกว่งมานะแกว่งซ้ายทีขวาทีนะใจเราเกี่ยงไปเกี่ยงมาไม่ได้ประโยชน์อะไรคอยรู้ทันมันไปในคุณที่ตีเดียวเปลี่ยนจากขาหน้าไปเป็นห่วงช้างหนะ <c oughs> วงช้างมีอันเดียวมีหนึ่งนะไม่มเป็นหนึ่ง เป็นสองเป็นสามเนียอย่างของปรุงแต่งเอาบอยเป็นไงบอย นั่นแหละของจริงไงที่เดินก็เพื่อให้เห็นตรงนั้นแหละให้เห็นว่าใจเราเหวี่ยงซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยนะบังคับไม่ได้ก่อ น, นก่อนเดินรู้ตัวไหมไก่อนก่อนจะเดินอ่ะก่อนจะเดินก่อนจะไปเดินตรงกลมเนี่ยบ่อยรู้สึกตัวยัง นะคือการเดินจงกรมไม่ใช่อยู่ๆนึกอยากจะเดินแล้วก็เดินเอานะเราจับหลักให้แม่นๆเดินจงกรมก็คือการเจริญสติในอิทิยาบทเดินเดินจงกรมไม่ใช่เดินกลับไปกลับมาเราไม่เดินเอาเวลาไม่เดินเอาระยะทางแต่เราเดินเอาสติเหมือนอย่างบ่อยเดินถึงไม่เดินกลับไปกลับมานะเดินพาทุกกตาไปเดินเล่นอะไรเนี้ย เดินไปแล้วใจเราลอยไปก็รู้เดินแล้วพอรู้สึกตัวว่าใจหนีไปก็บังคับไว้ก็รู้ทันจิตมันจะสุดตรงอยู่สองข้างไม่ว่าจะปฏิบัติยังไงนะทุกอิทธิบาทจิตก็เวียงซ้ายเวี่ยงขวาไปหน้าที่ของเรารู้ลงไปเรื่อยๆพอรู้ลงไปเรื่อยๆในสุดเราเข้าใจความจริงจิตใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดต้องการให้เห็นความจริงเท่านั้นแหละการที่บ่อยเห็นว่า หลงไปแล้วก็เพ่งไว้หลงไปแล้วก็เพ่งไว้ก็ความจริงเหมือนกันอือเหรองั้นมันไม่ถนัดยังไม่ถนัดเดินจงกลมก็ไปเดินห้างนะแล้วก็ให้สติเกิดไวๆอย่างที่คุยกันแล้วกันนะะไปเดินห้างแล้วให้สติเกิดเออ ไม่เพราะว่าเราตั้งใจจะทำถ้าตั้งใจจะทำเนี่ยมันไม่ใช่การรู้จริงๆเราสติของจริงไม่เกิดนะตัณหามันเกิดขึ้นก่อนคืออยากจะเดินจงกรมพออยากจะเดินจงกรมนะก็เริ่มบังคับไว้พอเผลอไปก็ดึงออกมากลับมาบังคับไว้ไม่ถนัดเดินก็นั่งเอาหรือเดินทำอะไรก็ได้นะในอิริยาบทไหนก็ได้สังเกตตัวเองเอา มีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบนบอกว่ารุ่นหลังหลังไม่ชับเดินจงกลมก็เลยบอกอมีโอกาสก็เดินกันตั้งเนาะอ <c oughs> ยากปฏิบัติเหรอคือ พอเรานึกถึงเรื่องปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันคล้ายๆเราส่งจิตของเราเนี่ยส่งสตินะเข้าไปหยั่งเข้าไปจ้องเข้าไปดูนมันเกิดการทํางานขึ้นมาเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันเกิดการทํางานทางใจตรงเนี้ยบ่อยดูออกมั้งไตั้ใจอไาหมแล้วมันตั้งใจหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ตั้งใจ ถ, ถ้ามันไม่ตั้งใจมันก็ไม่มีให้ดูสิา อ, าาอาจารย์ที่จะตั้งใจเนี่ยนะก็คืออันแรกเลยเพอคิดถึงการปฏิบัติอันที่สองเริ่มสำรวมทำขึ้นๆหน่อยหนึ่งอันที่สามเริ่มหางานทำส่งใจไปดูเช่นส่งใจไปดูจิตของเราหรือส่งใจไปดูกายเกิดการส่งใจไปดูมันไปวกไปดูเขาเองนะดีแล้ว นะพอมันวกไปดูของมันเองนะก็ให้บ่อยรู้ว่ามันวกไปให้รู้ทันมันจริงๆอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยแอบไปทํางานโดยเรารู้ไม่ทันนะแต่ไม่ใช่ห้ามการทํางานของจิตจิตจะทํางานนะบ่อยปล่อยมันได้อดีแล้วที่ภาวนาดีก็เพราะว่าบ่อยไม่บังคับมันเพราะงั้นพอจิตมันจะไปทํางานรู้ว่ามันทํางานอย่างนี้ใช้ได้นี่คนส่วนมากพอคิดถึงการปฏิบัติก็พาจิตไปทํางานนี่ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าจิตเขาไปทำงานของเขาเองนี่ใช้ได้นะอย่าสงสัยมากที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะต้องให้เฉลยนะยิ่งคิดยิ่งกลุ้มใจนะเดี๋ยวเสียหมดนะที่ทําอยู่นะถูกอยู่แล้วนะคอยรู้สึกไปนั่นแหละอย่างตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกไหมเออทื่อๆ อ, อ, อย่างเงี้ยไม่เอาทื่อๆ อ, อย่างเงี้ยนะไม่นำจิตไปหาความทื่อๆ อ, อย่างเงี้ย หายใจแรงๆทีง้งเออต้องอย่างนี้นะตรงนี้ไม่ชื่อรู้สึกไหมเออมันตรงที่มันไม่มีน้ำหนักอนะแต่ถ้าเกิดปีตีนะเบาวิวเลยเบาแบบติดลบอนะมีน้ำหนักติดลบนะเบาเบาเกินไปนันไม่ใช่ของจริงอีกแล้วตอนเนี้ยหนีไปทำอะไรอีกแล้วบอยเออคิดดูว่าคิดนะ แค่นี้แล้วมันก็ตื่นนะรู้สึกไหมมันพอดีตัวที่มันไม่มีน้ําหนักอะไรอ่มันต้องเวียงมันต้องเวียงนะคือจิตเนี่ยจะเหวียงซ้ายทีขวาทีตลอดบ่อยสังเกตดูคนที่เดินที่ว่าเดินตรงตรงเดินตรงตรงนะความจริงก้าวขาซ้ายทีขวาทีนะมันก็เหวี่ยงนะแต่เวียงอยู่ในเส้นทางเท่านั้นเองเพราะฉั้นจิตเนี่ยจะห้ามไม่ให้เหวียงไม่ได้ จิตนี่เราจะสั่งให้อยู่ในทางสายกลางไม่ได้มันเบี่ยงซ้ายก็รู้เบี่ยงขวาก็รู้แล้วมันตรงเองแหละทำไมตอนนี้เตรียมแต่งงานแล้วงงอะไรขึ้นมาทำสมถะบ้างไหมก็อย่าทำสินะ <c oughs> รู้สึกเอาหางานเลยทำก็ได้บ่อยเคลื่อนไหวแหม ไม่ชอบเดินจงกรมก็ไปกวาดบ้านบ้าง <c oughs> น, นะหาอะไรทำมาเคลื่อนไหวที่ความจริงนะบ่อยปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วทำไปเรื่อยๆแต่พอใจช่วงนี้มันเหนื่อยเนื่อยมันทื่อๆก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปหางานทำให้มากขึ้นไปเพื่อจะแก้สิ่งนี้ จิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปหาทางแก้มันการที่พยายามหาทางแก้มันี่เป็นการเพิ่มการทำงานของจิตขึ้นมาเยเราไม่ต้องไปเพิ่มการทำงานตอนนี้ทำอะไรบอยรู้สึกไหมจิตออฟไซส์ไปหน่อยกลับไปรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตั้งใจดูออกไหมตั้งใจดูออกก็ใช้ได้ละมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ ช่างมัน่าอยากถอนอยากถอนรู้ว่าอยากถอนออกมาดูออกไหมมันไปแปะอยู่ข้างนอกไม่ได้ให้กลับให้รู้ตามที่มันเป็นบ่อยยังอยากกลับรู้สึกไหมให้รู้ทันที่อยากละสมุไทยซะดูตรงคือนความอยากอย่าไปดูตรงที่แปะอยู่ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะ สภาวะทั้งหมดเลยเท่าเทียมกันนะถ้าฝึกมาถึงจุดตรงนี้จิตไปแปรอยู่รู้วไปแปรอยู่จิตไม่ชอบอยากดึงคืนมารู้วอยากดึงคืนมาเราไม่ได้ปฏิบัติเอาถูกนะไม่ได้ปฏิบัติเอาดีด้วยปฏิบัติเอารู้ตามที่มันเป็นอย่างจิตมันจะไปแปะเนี่ยบ่อยห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าฐาน มันไม่เข้าฐานรู้ว่ามันไม่เข้าฐานมันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ดูอย่างนี้ดูว่ามันไม่ใช่เรามันบังคับมันไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปพยายามดึงคืนมาเออนั่นแหละก็ต้องทุกข์แหละความพยายามจะดึงนี่เป็นคำพูดเพราะคคำพูดที่ตรงไปตรงมาคือมีตัณหาอยากให้มันดีนักปฏิบัติเนี่ยไปตายตรงดีนี่แหละ คนทั่วๆไปไปตายตรงชั่วนะไหลไปหาอารมณ์อื่นๆไปส่วนนักปฏิบัติเนี่ยชอบทําจิตให้ดีอยากให้มันดี่คิดว่าถ้าดีถาวรแล้วจะบรรลุมรรคผลนี่ผ่านไม่บรรลุหรอกนะแต่ถ้าบ่อยเห็นว่าเออจิตมันแปรปรวนไปเอาแน่นอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดบังคับไม่ได้ทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้เนใจจะรู้ความจริงนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาคือการรู้ตามที่เขาเป็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์ เห็นว่าจิตเขาเป็นไตรลักษณ์กายก็เป็นไตรลักษณ์นะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้อย่างบ่อยดูจิตชํานาญเราก็รู้ทันจิตไหลไปเกาะอยู่ น, นู่นอยากลึงคืนก็ไม่มาเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆเราเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้พอเวลาเห็นว่าบังคับเขาไม่ได้ใจจะปล่อยวางใจปล่อยวางเนี่ยใจมันจะปล่อยทิ้งไปนะมันจะตื่นโล่งขึ้นมาเลยเงั้นปฏิบัติไม่ได้เอาดีนะ ไม่ใช่รักดีเกลียดชั่วไม่ได้รักสุขเกลียดทุกข์ไม่ได้รักความละเอียดเกลียดความหยาบไม่ได้รักภายในเกลียดภายนอกรู้สึกไหมว่ารักดีอกอกเออเนี่ย น, นะดูที่อยากดูที่อยากใจไม่เป็นกลางละนะเพราะงะั้นเรารู้สภาวะที่จิตหลงไปเกาะ อ, อารมณ์เกาะแล้วมันไม่คืนมาใจเราไม่เป็นกลางเราอยากให้คืนมาเนี่ยใจเราไม่เป็นกลาง รู้ลงไปที่ความไม่เป็นกลางจนกระทั้งใจเป็นกลางเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตนะมีหน้าที่รู้ทันจิตไหลไปเกาะ อ, อารมณ์ภายนอกเรารู้ทันเราอยากดึงคืนนี่เรายินร้ายกับการลงไปข้างนอกเรายินดีที่จะให้มันมาใจไม่เป็นกลางงั้นให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะ ใจเป็นกลางเนี่ยสภาวะทั้งหลายก็จะผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยไม่ไปถูกเราตรึงเอาไว้ไงบอยจะเอาดีต่อไปหรือเปล่าต้องใจถึงนะไม่งั้นเราก็จะติดเป็นคนดีเป็นบอยดีกู๊ดบอยปฏิบัติไม่ได้เอาแค่ดีนะบอยแต่เอาให้เห็นความจริงเมื่อจิตเป็นของไม่เที่ยงนะจิตทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้ จิตเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ไ่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติให้มันดีไม่เอาสิให้รู้ทันใจที่อยากให้หลุดจากตรงเนี้ยให้รู้ลงมาที่ใจที่อยากจะหลุดจากตรงนี้ไม่ใช่ไปดูกายเพื่อให้หลุดนะบ่อยรู้สึกไหมว่าบอยยังอยากให้หลุดอีกอะ เนี่ยมันหาทางแก้รู้สึกไหมการที่หาทางแก้หาทางดัดแปลงเนี่ยผิดหลักและไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงและแต่เป็นการมุ่งเข้าไปแก้ไขเพื่อให้มันดีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้มันดีแล้วจะได้เป็นคนดีนะได้เป็นมนุษย์ที่ดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่เกี่ยวอะไรกับมรรค น, นิพพานเลย <c oughs> ไม่ยอมไปชั่งมันสิบังคับมันไม่ได้ แต่อย่าหนีมันนะคว จ, จริงแค่บอยหนีไปรู้กายทีเดียวมันก็หายหมดแล้วแต่อันนั้นก็คือเราสนองตันหาไปแล้วคือถ้ามีกำลังพอนะตามรู้ใจที่ไม่เป็นกลางใจที่ดิน้นแล้วก็อย่าอยากให้มันเป็นกลางอีกนะเหนใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางรู้ที่ใจไม่ใช่ไปรู้ตรงที่มันไปนติดอยู่ให้รู้ตรงที่ใจไม่เป็นกลาง แต่ก่อนรู้ใจอาจารย์สุรวัตรไหมอาจารย์สุรวัตรหลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรนิดเดียวอาจารย์สุรวัตรเขาเมลมาถามบอกว่าผมฝึกกรรมฐานหัดหยิบอารมณ์บรรแดนหนึ่งมาพิจารณาเนี่ยทําไมมันไม่บรรลุสกติบอกไม่บรรลุหรอกเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะพิจารณาอารมณ์เพื่อจะให้ให้จิตมันดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีนะต่อไปนี้ ให้รู้สภาวะทั้งปวงนะด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างของบอยอยเงี้ยจิตไปก่ออารมณ์นี่คือสภาวะอันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตไปแช่อยู่ถอนขึ้นมาไม่ได้แต่จิตของเราดูให้ดีจิตไม่เป็นกลางจิตอยากถอนเมื่อจิตอยากถอนเนี่ยจิตมีตัณหาอยู่จิตมีการดิ้นรนเช่นจะดิ้นรนมาดูกายเพื่อจะให้ถอนอยากพ้นทุกข์ ถ้าเฝ้ารู้ลงมารู้ทันใจที่ดิ้นรนใจที่อยากให้มันถอยออกมารู้ทันลงไปใจเป็นกลางสนะภาวะทั้งหลายจะเกิดล้วก็ดับหมดเลยไม่มีปัญหาอะไรเหลือเลยแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีนะอาจารย์ <c oughs> สุรวัต์เคยเล่าบอกแกเขียนกระดาษเล็กๆกับแปะไว้ทั่วเลยในจอคอมพิวเตอร์แกก็ยังแปะไว้นะบอกว่าจงรู้ อารมณ์ทั้งปวงด้วยจิตที่เป็นกลางมันก็ได้ทำนองนี้เปนการเตือนตัวเองว่าอย่าหลงเข้าไปตาลุมบอลกับมันนะนักปฏิบัติเวลาเจอกิเลสหรือเจอสภาวะที่ไม่น่าพอใจจะกระโดดเข้าไปสู้ลืมรู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางสังเกียตไหมพอจิตไม่เป็นกลางมันเกิดการต่อสู้กันรู้สึกไหมบ่อยเออนะมันทุกข์แล้วแหละ เวลาภาวนาบางจุดนะมันเจอสภาวะนี้มันต้องไปสู้เอาเองของหลวงพ่อเขเคยเจอสภาวะหนึ่งจิตไปเกาะอารอมณ์อันหนึ่งไว้ทาไงก็ไม่หลุดนะเป็นเดือนเลยวิ่งไปหาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธเทศให้ฟังชั่วโมงไม่หลุดหรอกท่านสอนจนท่านเหนื่อยเลยนะจิตของเราก็ยังเกาะ อ, อยู่ไม่หลุดเหมือนบ่อยตอนเนี้ย ถ้ามันจะก่อมันธรรมดานะค่อยรู้ไปนะรู้ลงไปจนจิตเป็นกลางผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่เทศสอนจิตไม่เป็นกลางดูออกไหมยินดีในการที่จะเป็นอิสระยินร้ายกับการที่จิตไปเกาะ อ, อารมณ์นะค่อยๆดูออกไป แต่ว่าอย่าทาอะไรวุ่นวายขึ้นมานะเดี๋ยวจะเสียเพราะว่าการปฏิบัติตอนเนี้ดีอยู่แล้วบอยอาจะงงว่าเอ๊ะจิตไปเกาะอารมณ์เข้ามาไม่ได้แล้วยังหลวงพ่อบอกว่าดีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วก็คือบอยรู้ว่ามันไปเกาะส่วนจิตจะปล่อยหรือจิตจะไม่ปล่อยเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของบอยแล้วจิตไม่ใช่บอยอ้าวข้างหลังน่ะข้างหลังมาอย่างไรกันเคยเรียนไหม เหลืออยู to ่กรุงเทพหรืออยู่ไหนล่ะอ๋อถ้ามากาเลยอยู่ใกล้ดีใกล้ๆแล้วขยันเรียนหน่อยนะประเภทฟังหลวงพ่อวันเดียวให้รู้เรื่องนะยากมีเหมือนกันบางคนฟังทีเดียวรู้เรื่องแต่น้อยต้องฟังหลายๆทีหน่อยต้องทนนะต้องทนเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมันฝืนความรู้สึกเราเยอะเลยอย่างพวกเราเข้าวัดเราอยากเป็นคนดี หงพ่อบอกว่าเป็นแค่คนดียังก็ยังทุกแบบคนดีต้องจเจริญสติรู้กายรู้ใจจนเห็นว่าไม่มีคนน่ะถึงจะดีเพราะฉะนั้นธรรมะ ม, มันมีหลายชั้นหรือเราเวลาเราเจอความทุกข์เราอยากละทุกข์อย่างบ่อยอนี้บ่อยเห็นทุกข์อยากละทุกข์แพระพุทธเจ้าบอกอย่าอยากละทุกข์ความอยากเกิดขึ้นให้ใหละเสียละความอยากเสียให้รู้ทุกข์ไปรู้ทุกข์คือรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็น ถงั้นอย่างจิตเราไปเกาะอยู่รู้ว่าไปเกาะอยู่เรื่องของเราเรารู้ทุกข์รู้ทันจิตของเราของคุณน้าทามกาเนี่ยฝึกไปง่ายๆเลยสมมติวมีสาวชมเราว่าหล่อเราดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนะมีคนมาว่าเราเราโมโหร้ว่โมโหนะคอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไว้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆ อย่างเราเห็นคนนี้เดินมาเราดีใจเห็นคนนี้เดินมาเราเกลียดให้เรารู้ทันใจของเราอย่ารู้แค่ว่ามีคนเดินมาคนนั้นเดินมาคนนี้เดินมารู้แค่นั้นไม่พอเมื่อจิตไปรู้อะไรเข้าสมมต่าจิตไปรู้ต่างทางตาเราไปเห็นคนเดินมาคนนี้เพื่อนรักเราเดินมาเราดีใจดีใจรู้ว่าดีใจอย่ารู้แค่ว่าเพื่อนเราเดินมานะให้รู้ทันใจของเราไว้หน่อย พวกเราล้าเลยที่จะรู้ทันจิตใจของตัวเองจิตใจของเรานะสำคัญที่สุดเลยพระเจ้าสอนทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจใจเป็นของสำคัญที่สุดแต่เราทิ้งใจของเราไปเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราไม่สนใจว่าจิตใจของเรารู้สึกยังไงนั้นเห็นคนเดินมาดีใจรู้ว่าดีใจเกลียดรู้ว่าเกลียรักรู้ว่ารัก หรือหน้าตาเขาไม่น่าไว้ใจรู้สึกระแวงระแวงรู้ว่าระแวงให้คอยรู้ทันใจของเราไว้ได้ยินคนเขาคุยนะเขาชมเราเราดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนะเขาด่าเราเราโกรธโกรธรู้ว่าโกรธให้คอยสังเกตใจของเราไว้ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะเราก็คอยรู้ทันใจของเราไว้คนทั่วๆวไปละเลยที่จะรู้ใจตัวเองชอบรู้แต่อย่างอื่น เช่นชอบรู้ว่าใครเดินมานะแทนที่จะรู้ว่าเห็นให้คนนี้เรารู้สึกยังไงเห็นหมาบ้าวิ่งมานะเห็นหมาบ้าวิ่งมาเราตกใจกลัวรู้ว่ากลัวนะรู้ว่ากลัวแล้วก็วิ่งหนีหมาบ้าให้ทันนะอย่าไปแล้วแต่บุญแต่ ก, กรรมไม่งั้นไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธแหมเชื่อกรรมถ้าเราไม่มีก ร, รมหมาบ้าไม่กัดนะนั้นเป็นก ร, รมเก่า ส่วนกรรมใหม่คือโง่อยืนขวางหมาบ้าหมาบ้าก็กัดสิทำกรรมใหม่แล้วนี่นะงั้นอย่าไปเชื่อแกกรรมอะไรนอกาศาสนาพุทธนะกรรมมันมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่มาทำปัจจุบันให้ดีๆเนี่ยคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆใจของเราเนี่ยนะถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกเี่บเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยให้รู้ทันใจของเราใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความรู้สึกนะคอยรู้ทันหรืออยู่คนเดียวไม่มีอะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่คนเดียวความคิดกระทบเข้ากับใจอย่างเราเคยโกรธใครมาตั้งหลายปีแล้วลืมเขาไปตั้งนานแล้ววันดีคืนดีหน้าเขาโผล่ขึ้นมาคุณมลเคยเจอไหมหน้าโผล่ขึ้นมาแม้มันแค้นเท่าเก่าเลย ใจเรากระทบกับความความจําเก่าๆได้ใจก็ยังโกรธขึ้นมาได้อีกนะหรือหนุ่มๆเนี้ยนะคิดถึงสาวอยู่บ้านเราเราคิดถึงสาวเนี่ยจิตใจแม้มันรักขึ้นมาให้เรารู้ว่ามันรักขึ้นมานะเพราะงั้นการปฏิบัตินะ่ะถ้าทําเท่าเนี้ยหลวงพ่อกล้ายืนยันว่าพอแล้วพอแล้วกลางคืนไม่พระสวดมนต์ทำสมาธิพักผ่อนอะไรก็ทําไปแต่ในชีวิตประจำวันเนี้ย คอรู้ทันจิตใจของเราเองไว้หลวงปู่เทศสอนผู้ใดปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงจิตถึงใจแล้วก็จะได้แก่นสารสา ร, สาระของการปฏิบัติการปฏิบัติถ้ายังเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองนี่ว่ายังไม่ได้สาระอะไรเท่าไหร่เรียนได้แต่ของผิวเผินเนี่ยลืมใจตัวเองแล้วรู้ไหมเพราะว่ามัวแต่คิดนะเพอใจเรานี้ไปคิดเราก็ลื ม, ล, มลืมใจของเรา ของคุณผู้หญิงท้ายแถวนั้นแะะเห็นไหมเราลืมใจของเราแนะเพราะว่าเราบัวแต่คิดอยู่เมื่อเวลาตาเห็นรูปเราก็ลืมใจของเราเมื่อหูได้ยินเสียงเราก็ลืมใจเมื่อใจของเราคิดนึกปรุงแต่งเราก็ลืมจิตใจของเราเราจะลืมใจของตัวเองอยู่ทั้งวันเลยน่าเสียดายมากหลวงปู่มั่นสอนใจเป็นของวิเศษนะแต่ละคนมีของวิเศษประจาตัวอยู่แล้วเราไปทิ้งมันไป ไปหาของอย่างอื่นแทนนึกว่าของอื่นมันดีมันจะมีความสุขเช่นถ้าได้เห็นของสวยๆแล้วจะมีความสุขได้ฟังอะไรดีๆจะมีความสุขได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยได้สัมผัสดีๆจะมีความสุขได้คิดเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วจะมีความสุขเรารู้จักความสุขอยู่แค่นี้เองความสุขที่เกิดจากการเอาตาไปดูเอาหูไปฟังเอาใจไปคิดอะไรอย่างนี้น แต่ธรรมชาติตามันไปดูเนี่ยมันก็ย่ำเห็นของดีบ้างของไม่ดีบ้างมีหูอยู่ก็ได้ยินแต่คำดีดีบ้างคำไม่ดีบ้างมีใจคิดเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายนั้นความสุขด้วยการเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรข้างนอกเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่สุขจริงหรอกพวกปฏิบัติก็ใหม่ทำไงเราจะบังคับใจของเราได้จะได้มีความสุข ใจเราไปเกาะ อ, อยู่ข้างหน้าเราไม่ชอบเลยอยากดื่มคืนนะไม่อยากดื่มคืนเลยทุกแบบคนดีทุกแบบนักปฏิบัติเนี่ยสุดโต่งมาข้างบังคับนะคิดว่าถ้ารักษาใจเอาไว้ได้แล้วจะดีจะมีความสุขนะพวกแรกพวกหลงโลกก็คิดว่าถ้าได้อารมณ์ที่ดีแล้วจะมีความสุขเห็นรูปสวยได้กลิน่นหอมได้รสอร่อยอย่างเงี้ยแล้วจะมีความสุขส่วนพวกนักปฏิบัติมันคิดว่าถ้าเรารักษาใจของเราไว้ได้แล้วมันจะมีความสุข มัสุขเหมือนกันแต่สุขนิดหน่อยสุขเมื่อเทียบกับคนทั่วๆไปในโลกแต่ว่ามันไม่ได้สุขแท้เพราะอะไรเพราะตัวใจเองนั่นแหละตัวทุกใจก็ยังอยู่ในขันหนะ้าเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าไม่ใช่ตัวดีหรอกตัวใจเองก็เป็นตัวทุกถ้าวันใดเราเห็นว่าใจก็เป็นตัวทุกนะเราปล่อยวางใจที่ว่าปล่อยวางจิตได้นะตอนนั้นถึงจะพ้นทุกจริงๆ คือพ้นจากรูปจากนามถึงจะพ้นทุกข์จริงๆมีสุขจริงๆนะสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานเท่านั้นนถึงนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามใจของเรายึดถือยึดถือจิตใจของเราอยู่ส่วนกายเนี่ยปล่อยง่ายแต่ยึดถือใจนี่ยึดรุนแรงนะคุณผู้หญิงคนนู้นนะ่ะนะทำสมาธิ รู้ว่าทำสมาธินะสมาธิเป็นแค่ที่พักผ่อนของจิตไม่ใช่ที่เจริญปัญญาทำสมาธิได้ก็มีประโยชน์นะได้พักผ่อนพอจิตใจของเราสบายแล้วให้เรารู้ทันใจที่มันสุขมันสบายเราจะเห็นว่าใจที่มีปิติปิติเกิดแล้วก็ดับไปมันมีความสุขพอเราทำเลิกทาสมาธิถอยออกมาความสุขก็หายไป มันมีความสงบพอเราถอยออกจากสมาธิจิตก็เริ่มสายสายไปทางตาไปทางหูไปทางใจให้เรารู้ทันจิตใจของตัวเองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขนาดน้อมใจเข้าไปทําสมาธิแล้วพอถอยออกมาใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอีกบางคนเปลี่ยนได้หัวเก่าอีกเพราะว่าไปติดอยู่กับความสงบภายในพอถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่โลกข้างนอกร้อนเป็นไฟเลยใช่ไหมลืมใจตัวเองละ จ, จิตใจเนี่ยเป็นชื่อของธรรมชาติอันหนึ่งที่มีหน้าที่ไปรู้รู้สิ่งอื่ น, นอื่นนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่ประสาทนะประสาทสมองเป็นวัตถุนะเป็นวัตถุคืออย่างนี้ในฐานะที่เรามีกายแบบมนุษย์เนี่ย เราอาศัยสมองเป็นเครื่องมือของจิตในการทำงานนะส่วนช่วงใดที่จิตของเราทำสมาธิมีความสงบสุขเนี่ยนะสมองส่วนหน้านี้จะทำงานเลือดจะมาเลี้ยงสมองตรงนี้เพราะฉะนั้นะพอเลือดมาเลี้ยงสมองตรงนี้ควรจะรู้สึกรีแลกซนะ์แต่ว่าอย่างพวกเทวดาไม่มีสมองนะเพราะฉะนั้นเทวดาไม่ได้อาศัยสมองนะเทวดาก็ยังมีความรู้สึกได้ แต่ว่าในฐานะที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสมองเหมือนเป็นที่ทํางานของจิตเวลาจิตใจเราทําสมาธิมีความสงบเนี่ยสมองตรงนี้จะทํางานเยอะช่วงใดจิตใจของเราเกิดกีรติรุนแรงมีอารมณ์แบบสัตว์ทั้งหลายแบบรุนแรงมีราคะโทสะอะไรเนี่ยสมองส่วนกลางๆ น, นี้ทำงานทํางานมากเจนสมองตรงแกนของมันเนี่ย อันนี้เป็นสำหรับดำรงชีวิตปกติควบคุมการหายใจอะไรเงั้นไปงั้นถามว่าสมองเป็นจิตหรือเปล่าไม่ใช่แต่โดยฐานะที่มีอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาศัยสมองเป็นเครื่องมือในการทำงานของจิตมันเป็นห้องทำงานของจิต่ะงั้สมองแตกดับไปจิตจะดับไม่ไม่ดับนะจิตก็ยังเกิดต่อไปได้อีก มันไม่ต้องแยกเอางี้เอาทําให้มันง่ายกว่า น, นั้นอีกนะถ้าเวลาใจของเราเกิดความสงสัยให้รู้ว่าสงสัยะเอางี้ดีกว่าคุณนั่งนั่งท่านี้นั่งนั่งไปก่อนนะนั่งเอามือลงก่อนอะมือลงนั่ ง, งไปนั่งไปเรื่อยๆนะนั่งสักพักคุณรู้สึกไหมว่าร่างกายนั่งอยู่ในท่านี้ลองรู้สึกที่ร่างกายที่นั่งท่านี้ซิรู้สึกไหมรู้สึกในร่างกายอะไรใช่ไหม รู้สึกไหมว่าความเมื่อยอะมันอาศัยร่างกายอยู่ความเมื่อยไม่ใช่ขาดูออกไหมความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่กับขาความเมื่อยของคุณ่ะมันแรงขึ้นบ้างเบาลงบ้างดูออกไหมมันไม่ได้เมื่อยคงที่ ด, ออดูออกไหมมันไม่คงที่เดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันก็เบาความเมื่อยลองดูที่ความเมื่อยไปก่อนดูไปก่อนนะอย่าคิดนะดูของจริงๆดูออกไหมว่าความเมื่อยกับขาเป็นคนละอันกันขาเราอยู่นิ่งๆใช่ไหม แต่ความเมื่อยไม่นิ่งดูออกไหมความเมื่อยมีการเปลี่ยนระดับเปลี่ยนดีกรีของความเมื่อยอันนี้ดูออกหรือยังนะคุณสังเกตไหมว่ามันมีคนคนหนึ่งอ่ะเป็นคนดูขาอยู่มีคนคนหนึ่งเป็นคนดูความเมื่อยอยู่รู้สึกไหมขาและความเมื่อยเป็นของที่ถูกรู้อยู่นะค่อยดูต่อไปดูขาจากความเมื่อยซิว่ามันของถูกรู้อยู่รู้สึกไหมเหมือนมีคนหนึ่งอยู่ข้างบนเป็นคนดูลงไป รู้สึกไหมพอจะดูออกไหมว่าร่างกายนะก็เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูความเมื่อยก็เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูนะต่อไปค่อยหัดต่อไปอีกเดี๋ยวไปทำเป็นกันบ้านนะเวลากิเลสเกิดนะให้กิเลสก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะความสุขความทุกข์ราคาโทสะโมหะอะไรผ่านเข้ามาใน ใ, นใจนะให้รู้อีกมันเป็นของถูกรู้ทั้งหมดเลยถ้าคุณ กายก็ของถูกรู้นะความเมื่อยก็ถูกรู้กิเลสหรือกุศลก็ถูกรู้ความสุขความทุกข์อะไรทั้งหลายแหล่ล้วนแต่ของถูกรู้ถ้าทุกอย่างถูกรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะรู้ว่าคนที่ไปรู้อย่างอื่นเป็นยังไงธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์ทั้งหลายนะั่นแหละเรียกว่าจิตนะตค่อยๆแยกเอานะค่อยฝึกเอา ทำไม่ได้นะไม่ได้จิตน่ะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเพราะฉะั้นในขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะรู้จิตไม่ได้นะแต่สมมุติว่าวิธีปฏิบัติก็คือคิดไปสมมุติว่าเราต้องคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งนะทำงานเราต้องคิดเนี่ยคิดงานอย่างมีสมาธิในการคิดเรื่องงานแต่พอทํางานไปช่วงหนึ่งแล้วชักเครียดเครียดไม่ใช่งานนะความเครียดเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะเรามีสติรู้ว่าเครียดตอนนี้เราไม่ต้องคิดเรื่องงานนะ แค่เรารู้ทันว่ากิเลสเกิดในใจเราหรืออย่างเวลาเราเข้าประชุมเราเอางานของเราไปเสนอที่ประชุมก็ชมกันใหญ่เราดีใจตอนที่เราเสนองานเราตั้งใจเสนองานไปไม่ต้องดูจิตใจของตัวเองนะเพราะไม่ใช่เวลาทํากรรมฐานเป็นเวลาทํางานนี่พองานของเรานี่ใครก็ชมเราดีใจดีใจไม่ใช่งานละดีใจมันเราต้องรู้ทันนะกิเลสเกิดละ หรือมีแต่คนว่าเราว่างานนี้ไม่ได้เรื่องเลยชักโมโหโมโหก็ไม่ใช่งานนะให้คุณรู้ทันว่าความโมโหเกิดขึ้นในหัดรู้ลงเองเนี่ยงันแยกกันเวลาทํางานนะที่ต้องคิดก็อยู่ส่วนหนึ่งเวลาที่กิเลสเกิดล้วก็คอยรู้ทันนี่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เวลาทํางานแลพอเข้าใจไหมไม่ยากหรอกคุณนะไม่ยากหรอกของคุณคอยดูไปร่างกายก็ถูกรู้พอจะดูออกแล้วใช่ไหม ร่างกายก็ถูกรู้ความรู้สึกเจ็บปวดก็ถูกรูนะ้ต่อไปก็หัดดูไปความโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ถูกรู้หมดเลยมีแต่ของถูกรู้นะไม่ต้องไปหาตัวผู้รู้นะให้เห็นว่ากายนี่ก็ถูกรู้เวทนาถูกรู้นะจิตที่เป็นกุศลอนะกุศลก็ถูกรู้หัดรู้ไปเรื่อยๆหัดเท่านี้ก่อนอย่ารีบร้อนนะรีบร้อนไม่ได้เดี๋ยวตกกระไดขึ้นบันไดขึ้นทีละขั้น ไม่ตลอดนะทุกสิ่งที่เกิดลว้วนจะดับทั้งสิ้นนะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องดับได้อย่างบางคนมีความทุกข์เยอะๆนะอย่างหนุ่มสาวอะไรนี้อกหักรู้สึกทุกข์เปนเป็นปีความจริงไม่ใช่หรอกนะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงจะทุกข์ทีหนึ่งนะพอไม่ได้นึกถึงเรื่องอกหักนะก็ไม่ได้ทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นกะระทั่งความทุกข์นะก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ได้อยู่ถาวร สิ่งทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้นี่ไปกฎเลยเนี่ยใจลอยไปละเห็นไหมเนี่ยหนีไปคิดละรู้สึกไหมเ <c oughs> นี่ยหัดสังเกตอย่างเงี้ยนะไม่ยากหรอกแต่อย่าใจร้อนนะค่อยๆทำเท่าที่อาจาราบอกอ่ะนะหัดดูไปกายก็ของถูกรู้เวทนาถูกรู้จิตก็ถูกรู้นะอะไรๆถูกรู้หมดเลยหัดรู้ไปเรื่อยๆแต่อย่าไปหาตัวผู้รู้นะ เนี่ยหนีไปคิดแล้วใช่ไหมพอเข้าใจไหมสังเกตไหมมันแค่ๆค่เราตื่นขึ้นมามันแค่แค่เราตื่นขึ้นมาจริงๆในโลกไม่มีคนตื่นนะมีแต่คนหลงตื่นมาแต่ตัวในใจเนี่ยฝันคิดคิดคิดทั้งวันไม่เคยรู้สึกตัวเลยน้อยคนที่จะตื่นขึ้นมาได้ต้องฟังธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่อตื่นเนี่ยใจหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมหนีแว บ, บไป มันลืมตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งนะเรามีเวลาอยู่กับตัวเองน้อยที่สุดเลยเราเวลาไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสปวดสัปพะหรือความคิดข้างนอกหมดเนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมบบเออนั่นแหละหัดดูไปอย่างนั้นแหละนะถ้ามองเห็นว่ามันไปแว บ, บเดียวนะั่นแสดงว่าเริ่มดูเป็นแล้วนะเราเริ่มรู้ทันใจของเราแล้วใจเราหนีไปเราก็รู้ทันมัน เห็นไหมเห็นคนเดินเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเหมือนที่อตมาบอกไหมเนี่ยพอไปดูคนอื่นเราก็ลืมตัวเองพอไปฟังก็ลืมตัวเองพอไปคิดก็ลืมตัวเองอีกเพราะงั้นวันวันหนึ่งเราอยู่กับการที่ลืมตัวเองหาคนที่รู้สึกตัวนะถึงหายากที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยปฏิบัติทำมานานไม่บรรลุมรรคผลสักทีบรรลุไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยเห็นตัวเองเลย อยากบรรลุมรรคผลต้องรู้กายรู้ใจหรือว่าการตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกวิปัสสนาถึงจะบรรลุมรรคผลได้ถ้าใจลอยไปที่อื่นไม่รู้กายไม่รู้ใจก็เรียกไม่ได้ทําวิปัสสนาบรรลุมรรคผลไม่ได้ได้แต่ทําสมาธิให้สงบพอถอยออกจากสมาธิบางทีร้ายยิ่งกว่าเก่าอีกนะเพราะตอนอยู่ในโลกข้างในมันมีความสุขออกมาอยู่ข้างนอกรู้สึกมันรุนแรง คล้ายๆเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากไม่มีเชื้อโรคเลยไปอยู่ห้องปลอดเชื้อออกมาถูกอากาศข้างนอกทีเดียวตายเลยหนีไปเข้าสมาธิมาหลบสบายอยู่ข้างใน้ออกมาตายเลยกิเลสกินเอา้าคุณนหนีไปและเอา้าวรางก็หนีเอา้าเชอร์รี่ก็หนีหนีหมดเลยนะทีมเนี้ยอย่ามัวแตกกว่เกาะคุณแม่นะช่วยตัวเองให้เยอะๆ เข้มแข็งไว้พยายามช่วยตัวเองเป็นลูกที่พ้น อ, อกพ่อแม่ทัทีก็ไว้ทั้งวันโอ้ยตายสิแม่ที่ไหนก็จะทนเลี้ยงได้ตลอดเดี๋ยวสักวันเขาทนไม่ได้เขาก็ไล่เอาหลบเนี่ยคุณพ่อจะทนไม่ได้แล้วนะโบเป็นไงโบหืม ตอนนี้ตอนนี้จิตเป็นไงตอนนี้อรู้สึกไหมเอาคุณเสื้อสีฟ้าใจลอยอีกแล้วพอรู้เรื่องอยังเออนั่นแหละหลวงพ่อเรียกว่าหลงเลยละ่ะในขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดใช่ไหมแต่เราลืมตัวเราเองใช่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่จิตไม่ใช่ความคิด เราเราไม่รู้ตลอดเวลาเราไม่เอาสติไปนั่งเฝ้าใจตัวเองไหมนะสติไม่ใช่เป็นไอ้พวกคอยเฝ้าจ้องตามให้กระพริบไม่ใช่เพราะฉะเวลาที่คุณคิดนะคิดไปแต่พอคิดไปแล้วเนี่ยนะเกิดกุศลเรื่องกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์นี่ยค่อยมีสติรู้ทันค่อยกลับมารู้สึกคิดกับรู้สึกไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นว่ายุงกัดเจ็บ ความรู้สึกเจ็บเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกถ้าคิดเรื่องยุงกัดเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งคนละานกันอย่างเวลาใจลอยตะ ก, กี้เนี่ยตอนที่ไปคิดนะ่ะใช่ไหรู้เรื่องที่คิดใช่ไมแต่เราลืมกายลืมใจตัวเราเองหน้าที่ของเราก็คือพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้ทันกายรู้ทันใจบ่อยๆอยนี่เป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ทางใจนะคิดไปแล้วเราก็เกิดรู้ทันขึ้นมาว่าอ้าวเผลอไปคิดละ สังเกตไหมตอนที่คิดเน่ะแค่แค่เราเผลอไปคิดเราไม่ได้จงใจจะคิดหรอกมันเผลอไปคิดะพอมันเผลอไปคิดเราก็รู้ทันมันเนี่ยอย่างนนเนี้ยหนีไปละนะเผลอไปละเนีคุณมลหลบหลังเล้วม่คิดเนี่ยรู้สึกไหมใจเราหนีแวบบแวบบเออมันแว บ, บเรารู้ทันแวบบเรารู้ทันนะเราไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้ยไงของคุณสองคนเป็นไง เดยส่งกันบ้านไหมาแล้วนั่งเงียบๆรู้สึกได้บ่อยอยังได้วานละกี่ครั้งน่ะแล้วเอาความหน้ามาให้ได้สิบครั้งเห็นไหมไม่เรียกร้องเยอะนะสิบครั้งเนี่ยรวมเวลาแล้วอาจจะสองสามวินาทีเองนะเพราะเวลาเรารู้สึกตัวแนละ้รู้สึกแวบเดียว นั่นรู้สึก10ครั้งเนี่ยใช้เวลานิดเดียว เกิดสติกเกิดสัญญาขึ้นมาจิตมันก็ถอดถอนตัวเองออกจากมูหะแสดงว่าอที่ง่วงนั้น น, นนะะไม่ใช่ง่วงทางกายแล้วง่วงเพราะจิตมันยังชะขี้กเกียจแต่ถ้าบางคนทานข้าวแล้วเลือดไปเลี้ยงกระเพาะมากไม่ขึ้นสมองต้องซึมนะอันนั้นเป็นเรื่องทางกายแต่ว่าสมมติเรารู้สึก ง, ง่วงแล้วเกิดฉเฉลียวใจว่าเอ๊ะใครง่วงนะเราเห็นความง่วงเป็นสิ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวเราละ มันเหมือนกับของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมไอ้ใครมันง่วงมมันไม่ใช่เราง่วงแนละ้วมันใครง่วงก็ไม่รู้มันเห็นความง่วงเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากความง่วงตัวนี้มันง่วงด้วยกิเลสนะเพราะงั้นพอเราเกิดสติทันปั๊บจะขาดทันทีเลยแต่ถ้าเป็นง่วงเพราะร่างกายอ่อนเพลียนะถึงมีสติก็ไม่หายนะแต่ต้องไปทาสมาธิจิตเกิดปีติอะไรเงี้ยขึ้นมาก็หาย ออเออไม่ดําเนินอ่ะคือเวลาจะฟังหลวงพ่อจะฟังให้รู้เรื่องสังเกตไหมเราต้องฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปก็ฟังไปคิดไปดสิ<ร>จะได้รู้เรื่องไม่ได้ดูนะเพราะงั้นเวลาที่จิตไปรู้อารมณ์เรื่องอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติหมายถึงเรื่องที่คิดที่นึกเรื่องที่ฟังอะไรเนี้ยเนื้อหาสาระที่ฟังเนี้ยเป็นเรื่องเรื่องอารมณ์บัญญัติ ในขณะนั้นเรารู้อารมณ์ปรมัติคือรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้แยกกันเวลามีหน้าที่ฟังให้รู้เรื่องก็ตั้งใจฟังแล้วก็คิดให้รู้เรื่องแต่เวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยใจเราไปฟังรู้ว่าฟังใจเราแอบไปคิดรู้ว่าคิดให้คอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วดู อ, อกไหมสังเกตไหมว่าพอเรารู้ทันว่ามันแอบไปคิดมันคยๆเราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสั้นๆแวบหนึ่ง ยี่มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมรู้สึกไหมตรงที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยใจมันจะเบ า, ม, เบามันจะเบิกบานเบาๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจะสงบสะอาดสว่างขึ้นในขณะนั้นเลยอี่ยตอนเนี้หลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมตอนนี้ทําอะไรจิตนะทําอะไรดูออกไหมรู้ว่าคิดสิ ส เ, เกตไหพอรู้ทันว่าคิดมันแค่ๆเราถอยออกมามันแค่ๆเราหลุดออกจากโลกของความคิดคนในโลกนั้นอยู่กับในโลกของความคิดไม่อยู่กับโลกของความจริงเลยแต่ไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งวังนเพราั้นไม่ได้เห็นของจริงหรอกธรรมะของจริงไม่ไปอยู่ในความคิดไม่ได้ความคิดมันก็แค่ความคิดหลอกๆเอาเลยต้องรู้สึกตัวขึ้นมาใจก็จะหลุดออกจากความคิด รู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจมันหนีแวบไปสังเกตไหมว่าพอรู้ทันมาแล้วสดชื่นพอรู้ทันมันปุ๊บจิตสดชื่นทันทีเลยจิตมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นทำไมถึงเกิดความสุขความสงบเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลเมื่อไรจิตเป็นกุศลจิตมีความสุข จิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยนะมีสมนัตเมตนามีอุเบกขาเวทนาเป็นกลุ่มที่สบายจิตเครียดเครียดจิตเป็นทุกข์เนี่ยจิตอากุศลนนะดังนเวลาเราลงมือปฏิบัติทำแล้วจิตเครียดเครียดแสดงว่าไปหลงสร้างอากุศสนขึ้นมาแล้วเวลาสมนะมติเราเผลออยู่แล้ว ร, ร, รู้สึกตัวที่มาเร า, เ ร, ารู้สึกตัวหลขณะรู้สึกตัวเราตามใรตามใจได้ทักฝุ่นต้องระวังให้ดี <Okay. S 1> เผลออยู่ เนี่ยจิตเป็นกุศ ล, ลรู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลหลังจากนั้นจะเริ่มประคองไหมรู้สึกไหมมีการประคองมีการรักษาจิตเนี่ยคือสุดโตมาข้างบังคับแล้วสุดโตมาข้างบังคับเผลอตอนเผลอเนี่ยสุดโตไปข้างหลงนะพอรู้สึกตัวเนี่ยพอดีหลังจากนั้นกลัวจะเผลออีกก็ประคองไว้ของไว้เนี่ยสุดโตในข้างบังคับเนี่ยสนะุดโตมีสองอันเพื่อนรู้ทันพอประคองแล้วรีบรู้ทันใๆ คือของบอยจิตมันไหลออกไปอย่าไปอยากดึงคืนนะเออเออก็แค่นั้นเองช่างมันคือกิเลสทุกชนิดนั้นหรอกเราให้เราหลงเราให้เราปรุงแต่งตรงที่ไม่ได้จงใจจะทำอะรู้สึกไหมมันจะหลุดออกมา แล้วรู้ว่าอยากไหมมันไปไปมามาก็ดีแล้วนี่ <c oughs> เขาแสดงใจรักให้ดูเราจะไปดูอะไรล่ะถ้าไม่ดูใจรักดูสิมันไม่เที่ยงสักอันเดียวรู้สึกไหมการที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาวะอนใดนหนึ่งไม่ได้เห็นทุกขังเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยอนัตตา การที่เราอุตส่าห์มาเห็นสภาวะทั้งหลายนะเพื่อจะเห็นใจรักนะเมื่อพอใจรักสแสดงตัวแล้วบ่อยจะไม่เอาบ่อยจะเอาจิตที่ดี ด, <c oughs> ดีอวกไหมมันก็หลุดออกมาแวบแล้วมันก็โจรใหม่ไม่ต้องไปทำที่เดียอบอนะให้รู้ทันตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็นการปฏิบัติไม่ใช่มุ่งทำจิตให้ดีนะไม่ใช่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่บนฐานของมัน แต่การปฏิบัติที่ดีเลยก็คือการที่ได้เห็นความจริงว่ามันแปลเปลี่ยนตลอดเวลานี่พอเราเห็นไตรลักษเรากลับไม่ชอบเราอยากให้มันนิ่งๆมีเอกลักษณ์ให้หนึ่งนิ่ง ๆ, ๆไม่อยากได้ไตรลักษไงคุณที่มาจากท่ามากาเคยปฏิบัติมาจากไหนบ้างไหมแล้วใครพามาล่ะหรนี่คุณแม่เหรอ อยู่ยังเด็กเลยเนาะ <c oughs> ลูกโตแล้ว <c oughs> สังเกตที่ใจเรารู้สึกไหมว่าเราพยายามทําความรู้สึกตัวขึ้นมาใจของเรามีการสะครองความรู้สึกเอาไว้พยายามทําให้นิ่งๆขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยคือของปลอมที่เราสร้างขึ้นมาให้รู้ทันว่าเนี่ยเราแกล้งทคลึ้นแะล้ยแกล้งทานะ่เนี้ย อะไรนะดังๆนี่ท่านหลวงพ่อไม่ได้เอ๊ะหลวงพ่อไม่ได้พูดเลยว่าให้ดึงมานะ <c oughs> ไงไม่ฟังว่าหลวงพ่อบอกให้ดึงหลวงพ่อบอกอย่างนี้บอกว่าเวลาเราเผลอไปคิดเนี่ยนะให้เรารู้ว่าเราเผลอแค่นี้เองไม่มีดึงนะสังเกตไหมว่าเราไปดึงออกมาแล้วมารักษาเอาไว้หลวงพ่อพูดเรื่องความสุขโตสองอย่าง อย่างหนึ่งเผลอไปหลงไปอันนี้รู้จักแล้วใช่ไหมเผลอไปคิดเนี้ยสุดโตอันที่สองก็คือการประคองไว้รักษาไว้สองอันเนี้ยไม่เอาเพราะฉะนั้นมันเผลอรู้ว่าเผลอแล้วเลิกเลยจบแค่นั้นเดี๋ยวมันเผลอใหม่รู้เอาใหม่อย่าไปดึงมานะอย่าไปดึงคืนนะหลวงพ่อไม่ได้สอนนะ <c oughs> ไม่ดึงอะ่ะ <c oughs> ดีนะว่าพยานเยอะ ยังเรียนหนังสื อ, ห ร, อหรื อ, อยังทำ อ, งอะไรนะรนหรออายุเท่าไหร่แล้วเหรอสิบหกหรโตจัง <c oughs> ดีแล้วสนใจเข้าวัดตั้งแต่อายุน้อยๆดีนะคนมีบุญนะถึงจะได้ฟังธรรมะนะคนไม่มีบุญไม่ได้ฟังธรรมะหรอกว่าไงปุนปุนยังรักษาไม่เลิกเลยไม่เหนื่อยบ้างหรือไง <c oughs> ยอมตามกิเลสเล็กน้อยอยเชนการฟังเพลงหรือเล่นเกมในใรายการดีคนไม่ได้เคยชินเรายอมตัวนี้แต่ไปเราก็ยอมตัวนี้ยอมตัวนีนะ้การสู้กับกิเลสเนี่ยเราใช้หลักให้แม่นๆ่นนะเราไม่คล้อยตามกิเลสแต่เราก็ไม่ต่อต้านกิเลสการยอมคล้อยตามเช่อนอยากเล่นเกมก็เล่นอย่างเงี้ย น, นี่เรียกคล้อยตามอยากจะไปจีบสาวก็ไปคล้อยตาม โกรธขึ้นมาโมโหจริงๆเลยด่าเขาเลยอะไรเงี้ยชกเขาเลยนี่คล้อยตามต่อต้านคือพยายามจะไปบล็อกมันพยายามไปต้านทานมันต้องไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆนึกถึงรูปเรือลำใหญ่ๆเคยเห็นเรือไหมจอดในแม่น้ำอะไรเงี้ยทอดสมอไว้เรือไม่ไหลาตามน้ํานะแต่เรือไม่เคยต้านน้าเลยไม่กวางน้ํา จิตเหมือนกันนะถ้าจิตเราไปพยายามต้านกิเลสเมื่อไหร่นะกิเลสจะมีพลังงานมหาศาลขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่ไปต้านกิเลสเราสักว่ารู้กิเลสเห็นกิเลสผ่านมานะเฉยๆใจใจเป็นกลางกับเขานะไม่ต้านไม่ออกแรงต้านชั่ น, นี้แต่มันจะผ่านไปเลยไม่มีอะไรประทะกันเลยแต่ถ้าต้านกันเมื่อไหร่สู้กันเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่ากิเลสนี้มันน่ากลัวแรงมันเยอะบางทีเล่นเราโน้มเลยนะบ่อ บ่อยจะไปต้านมันไหมหรือเลิกต้านแล้วเวลากิเลสเกิดเนี่ยคล้อยตามหรือต่อต้านไหมไมยพยายามก็ไม่เอา <c oughs> อย่าไปแกล้งปล่อยมันไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่แกล้งปล่อยปล่อยแล้วก็ไปตามมันไปนะตรงที่ไม่ไม่ตามไปแล้วก็ไม่ต่อต้านเนี่ยเป็นสภาวะาที่อธิบายลําบากเราค่อยค่อยสังเกต ใจเราเนี่ยเวลากิเลสเกิดนะถ้าเราไม่ตามมันเราก็ไปต้านมันเราไม่ได้รู้อย่างที่เป็นกลางอะ่ะลองสังเกตให้ดีสังเกตทีใ่ใจเราถ้าต้านนิดนึงก็ไม่เป็นกลางแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมานะไปต้านมันถ้าคล้อยตามมันรู้สึกสบายใจเพราะได้สนองกิเลสเมื่อคอยรู้ทันตามมันไปแล้วก็รู้ทันไปต่อต้านมันก็ค่อยรู้ทันในสุดใจอยากเข้าไปสูป่ความเป็นกลางกิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตไม่เกี่ยวอะไรกันเลย ไม่ต้องไม่ต้องถ้าเอาฐานมาตั้งไว้เราก็จะทํากลายเป็นสมถะอาจามาเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่หลวงเจ้าจิตไปตั้งไว้ที่ไหนดีหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งโอฟังเรางงมากเรียนธรรมะกับหลวงปู่เนี่ยนะพูดครั้งละประโยคไม่มีอธิบายที่เพิ่มเติมอะ่ะแล้วต้องไปหาเอาเองเอ้เราบอกมันมีที่ตั้งนําตั้งได้เนี่ยตั้งที่ไหนก็ได้ หลวงปู่บอกไม่มีที่ตั้งสังเกตไปเรื่อยจิตมันเกิดเกิดดับดับนะเดี๋ยวไปเกิดทางตาเดี๋ยวไปเกิดทางหูเดี๋ยวมันเกิดทางใจย้ายไปย้ายมาถ้าเราจะทำํำมิปัสนาเราไม่ต้องไปตั้งถ้าทําสมถากาหาที่ตั้งให้มันอยู่เพราะงั้นอย่างเวลาเราจะดูจิตนั่นะอยู่ๆเราก็ไปตั้งเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะนิ่งผิดความเป็นจริง ตามรู้ต้องไม่ทันอยู่แล้วต้องเผลอไปก่อนถึงรู้ว่าเผลอต้องโกรธไปก่อนถึงรู้ว่าโกรธต้องโลภไปก่อนถึงจะรู้ว่าโลภเราต้องตามรู้ไม่ใช่รู้ในขณะนั้นคำว่าจิตตา น, านาุปัสนาปัสนาคือการรู้อนุแาลว่าตามจิตตานุปัสนาตามรู้จิตหมายถึงว่าจิตมีราคาก็อ้อมันมีราคาล้ออเผลอไปละเนี่ยต้องไปแล้วรูนแต่แล้วแล้วนั้น อ้าวโกรธไปแล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ไม่ใช่ไหนดูซิมันจะโกรธตอนไหนนั่งจ้องไว้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานละสติปัฏฐานให้ตามรู้เอาเช่นคนเขาว่าเราเาว่าเราพอเราโกรธเราก็รู้อ้าวโกรธละอย่างนี้ใช้ได้แไม่ใช่จ้องไว้ก่อนตั้งฐานไว้ก่อนมาตั้งอยู่กลางลิ้นปีมบางคนคนตั้งอยู่ท้องบางคนตั้งหน้าผาก ตั้งไว้แล้วเวลาคนมาดา่าใจก็เฉยเฉยไม่โกรธอันนี้ไม่ใช่ว่าดีนะนนี้บังคับมันไ ว, วททไรร้ที่ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรหรอกถ้าคนก็ชมแล้วเราดีใจรู้ว่าดีใจคนก็ว่าเราไม่พอใจหรือว่าไม่พอใจอ ด, อ ด, ดูลงไปเลยความโกรธเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นแค่ความรู้สึกอันหนึ่งผ่านมา ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูให้เห็นความจริงนะว่าความโกรธเป็นสภาวะธรรมมันนึง่งเป็นนมามธรรมมันนึงไม่เรียกชื่อก็ได้ะเห็นแค่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะเป็นของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้นะอย่าไปแตะต้องเหมือนเข้ า, า, อาเออไม่ใช่ตามต่ตามใจตามใจกิเลสโอ้คนนี้เก่งนี่แหลมคมเหรอ ไม่ตามใจมันนะแต่ก็ไม่ขัดใจมันนะไม่ไปต่อต้านมันอย่งเราชอบไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอืออย่างนี้ใจเราชอบเราสารู้แต่อย่าตามใจใเออใช่ถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ฝักใจในไม่ต้องไม่ต้องไปฝักมันให้เรียนรู้ความเป็นจริงนะว่ากิเลสทั้งปวงเนี่ยนะเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของแปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนดูเรานั่งในบ้าน นั่งสบายๆนะเห็นเขาเอารถบุพชาติมาวิ่งเราก็รู้ว่ารถบุพชาติมาไม่วิ่งตามไปนะเห็นรถขยะ ม, มาก็ไม่ต้องวิ่งตามไปดูเราดูอยู่ห่างๆรู้ว่าทุกอย่างรถแต่มาแล้วก็ไปนะทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดนะูไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปล้อยตาม <c oughs> ภาวานาแปลว่าการเจริญนะภาวานาว่ า, าเจริญถ้าจะทำวิปัสสนา ค, คือเจริญสติ จเจริญสติหมายถึงว่าสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นเราค่อยรู้คอยตามรู้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าภาวนาส่วนการท่องพุทโธพุทโธเรียกว่าการบริกรรมควรจะทำทำได้ก็ท ำ, ทำ ไ, ไม่ปนนะเอาอย่างนี้สิถ้าเคยเคยพุทโธหรือเปล่าอ้าวแล้วมาถามทำไมอ้าวเอางีล้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจไป ทำใจให้สบายก่อนนะแล้วก็รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจหายใจไปใจเราเผลอไปแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจเราแอบไปคิดแล้วคือรู้ทันใจเอาลมหายใจเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะมารู้ทันใจนะหายใจไปอีกหายใจเข้าหายใจออกไปจิตใจชักสบายจิตใจสบายรู้ว่าสบายพอสบายแล้วเราชอบรู้ว่าชอบมีราคาชอบสบายเป็นสุพเวทนาสมนัตเวทนาพอชอบเนี่ยราคะ อ, อยังพี่นามไม่ได้เพราะตอนนั้นสงบก็อยู่สงบพักให้เต็มที่นะพอจิตเริ่มถอยออกมานะตรงนี้เรียกว่านาทีทองเลยพอจิตเราถอยออกจากความสงบเนี่ยให้คุณดูลงไปจิตเมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้สงบตอนนี้ไม่สงบเมื่อกี้มีสุขตอนนี้ชักจะเฉยเฉยเมื่อกี้นิ่งๆตอนนี้ชักใสๆ่ๆให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเลย นะการที่เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเราจะก็คือคําว่าเราใช้สมถะเป็นฐานเพื่อมาเจริญวิปัสสนาเหนะมือนคล้ายๆเราเคลียร์พื้นที่เคลียร์โต๊ะทางานของเราเช็ดจนเกลี้ยงเลยไม่มีฝุ่นเลยนะคือจิตเราสงบในสมาธิเรียบร้อยแล้วต่อมาพอมีสิ่งแปลกปลอมนี้เดียวตกลงมาเราจะเห็นเพราะฉะนั้ น, ะนใจเราเป็นสมาธิพอถอยออกจากสมาธิเนี่ยมีความปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆเราก็จะเห็น เราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้ดีตอนนี้ชักมีขี้ฝุ่นแล้วเมื่อกี้สงบตอนนี้ชักไม่สงบเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงาาออองกกตรรู้้คือถ้ามีหน้าที่ทํางานเราทํางานนะแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรเฝ้ารู้ความรู้สึกของเราไว้เรื่อยๆ มันเย็นสังเกตไหมมันเย็นมันสบายรู้ว่ามันสบายนะเกิดจะชอบมันเข้ารู้ว่าชอบชอบเนี่ยราคานะกิเลสนะไม่ไงั้นเราจะติดอยู่กับติดสมาธิติดกับอารมณ์ที่สงบจะเพลิดเพลิน พ, พ, พอใจรู้รู้นะอย่าคิดเอานะให้รู้ทันรู้ที่ความรู้สึกจริงๆะนะไม่ใช่คิดเอาว่าอชอบไม่ชอบนะถ้าจะชอบลวมั่งเพราะมันดีอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดนะ ให้รู้เท่าที่รู้ได้สมมติว่าเรายังดูไม่ออกว่าใจเราชอบหรือเปล่าเนี่ยมันมีความสุขมีความสงบรู้ว่ามันสุขมันสงบเห็นว่าความสุขความสงบเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกนะตรงนี้เข้าใจไม้มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกรู้ถูกดูหมดเลยล้วนแต่แสดงใจรักไม่ใช่ตัวเราอเสมอกันหมดอ่าอ่าใช่ใช่ใชนะ เกิดซินะไม่ต้องกลัวหรอกปัญญาเนี่ยเกิดจากเรามีสติรู้สภาวะก่อนนะเช่นเรารู้ว่าสงบนะความสงบไม่คงที่หรือการที่เราเห็นว่าความสุขความสงบเป็นของถูกรู้ถูกดูนะคือมันไม่ใช่ตัวเราลนะเนี่ยตัวนัตตาละหรือเห็นว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่คือเห็นอนิจจังนะเกิดแล้วก็ดับไปนะเห็นว่าความสุขก็ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นอุเบกขา เวียดขาอยู่ช่วคราวเดี๋ยวก็หายไปเป็นฟุ้งซ่านแทนแต่ละอันล้นแตทนอยู่ไม่ได้การที่เห็นไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าปัญญาละ่ะปัญญาไม่ใช่อย่างอื่นนะปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่ได้แปลว่ารู้อะไรเยอะแยะนะพระเจ้าอยู่หัวเคยถามหลวงพุ่เทศบอกว่าที่สุดของปัญญาอยู่ที่ไหนในสําหรับนักปฏิบัติเนี่ย หลวงปู่เทศถวายวิสัชนาบอกว่าที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์เพราะงั้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์เช่นจิตเมื่อกี้สงบตรงนี้ไม่สงบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวมีกิเลสเดี๋ยวไม่มีกิเลสเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่แ เ, เห็นไตรลักษณ์งั้นการเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละตัวปัญญาล่ะ พอเราเห็นมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้ว่ากายก็ยึดไม่ได้จิตก็ยึดไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปัญญาแจ่มแจ้งจะปล่อยวางวิมุตติก็เกิดเมือนัวิมุตต์เกิดจากปัญญาเห็นใจรักแล้วก็ปล่อยวางเอราว่อะไิดขึงมนั้นการปี่ยนแปลงธรรมดไม่คิดนํานะ ไม่ต้องคิดนำแค่ความรู้สึกอะไรหรือสิ่งใดผ่านเข้ามาเนี่ยให้รู้เฉยๆรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่ต้องคิดนำไม่ต้องช่วยจิตเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งไม่ชอบให้อบลมนะยิ่งเราไปสอนมันมากเดี๋ยวมันดือ้อนะแต่พามันดูของจริงไปนะเห็นไหมความสุขเกิดมาแล้วก็หายไปความทุกข์มาแล้วก็ไปโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ไปเ่ยาพามันดูอยู่แค่นี้นะอย่าคิดนานะไม่ต้องไปช่วยมันคิด ก็ช่วยมันคิดเดี๋ยวใจช่วยคิดเนี่ยมันคล้ายๆเราเราชอบอบรมสั่งสอนนะอย่าไปอบรมมันนะอย่างเราเลี้ยงเด็กทุกคนเราเลี้ยงแบบสมัยใหม่เด็กเลี้ยงแบบสมัยเก่าเนี่ยเรียกมันมันว่าทั้งวันเลยเลี้ยงเด็กสมัยใหม่เนี่ยให้มันออกไปกระทบสัมผัสโลกจริงๆให้ลองผิดลองถูกดูเราเป็นผู้ใหญ่ค่อยไกด์ไลน์ให้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นอย่าเข้าไปบงการ ให้เด็กได้เรียนรู้อย่าสู้กเด็กเห็นถ่านไฟติดไฟแดงๆสวยะเราบอกอย่าไปจับนะเด็กมันอยากจับพอเราเผลอมันจับถ้ามันจับเข้าไปมันทุกข์นะทีหลังมันไม่จับล้วเรียกให้จับมันก็ไม่จับจิตนี้เหมือนกันนะให้มันเรียนรู้ไปมันรู้เลยว่าถ้ามันเข้าไปอยากเข้าไปยึดะหรือมันหลงตามกิเลสแล้วมันจะทุกข์ทีหลังมันไม่เอาหรอกแต่ไม่ต้องไปช่วยมันนะพยายามช่วยมันเลยยิ่งยิ่งเลิ่นช้า นี่สิรู้ทันพระพุทธเจ้าสอนทุกให้รู้ทุกคือกายกับใจให้รู้สมูทัยคือตัวตันหาคือความอยากอ่ะให้ละเสียยังไม่ต้องอื่นใราะ่รู้อะไรเรอะไร่ใจอสื่อระรอืมไม่ตอเป็นกิเเลเออเป็นเราก็รู้ทันกิเลสของเราแตไม่้มันเป็นสิ่งต้องทํยาต้องทำหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับความอยาก ถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะเพราะมันมีเหตุผลต้องทาก็ต้องทำแต่ไม่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอยากกับจำเป็นไม่เหมือนกันนะสอว่าอยากกินข้าวแต่จำเป็นต้องทานข้าวอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันอยากให้เขาดีเนนียเริ่มยุ่งแล้ว<อ>เห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเขามีโอกาสสัมผัสธรรมะแล้วเขาจะมีความสุขเขาควรจะได้สัมผัสเ อ, เอาไปบอกธรรมะเขาเขาไม่เอา เขาไม่เอาเราบังคับเขาไม่ได้เราไม่ค่อยเฉยสิเราจะหุนหินถ้าเราเฉยเฉยได้ก็ไม่มีเรื่องนั่นแหละคนอื่นเฉยไม่เฉยช่างเขานะเราอ่ะให้มันเป็นกลางไหมถ้าเรามีความอยากใจเราไม่เป็นกลางใจเราเล่าร้อนเราอยากให้คนอื่นรู้ธรรมะเนี่ยเป็นความทุกข์ของคนดีนะคนดีก็ทุกข์อย่างคนดีแมมมาฟังธรรมะสิพอเขาไม่ฟังโมโหเขาซอีกละ ความการุณนาเกิดขึ้นในใจอยากให้เขาได้ของดีอยากให้เขาพ้นทุกข์นะพอเขาไม่รับนะโทสะมันเกิดนะกะกรุนาพลิกแวบหนึ่งโทสะเกิดแล้วเอาวันนี้พอสมควรแก่เวลานะเชิญญาติโยมทั้งหลาย